อันนี้มันก็เป็นอุบายทํากิเลสให้เบาบางไปได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันน ะ, ะการที่เราวางตนให้เสมอไม่ถือตัวปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับหปู่กับคณะให้ได้นี่มันก็เป็นอุบายละกิเลสให้เบาบางไปส่วนหนึ่งอันนี้นะให้เข้าใจถ้าหากว่าผู้ใดไม่คิดอย่างนี้นะ คิดว่าอยากจะอยู่ตามลําพังตนเองอืมตนเองชอบทําอย่างไรก็อยากจะทําไปมันจะขัดกับมติของหมู่มากก็าตามอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเรามาอยู่รวมกันเป็นหมู่มากอย่นี้จะไปทําอย่างนั้นไม่ได้ขอเตือนด้วยทุกรูปแหละมันจะไม่เป็นไปเพื่อความสงบแบบนั้นนะ ถ้าตนละกิเลสอย่างว่านั้นไม่ได้ก็ต้องไปอยู่คนเดียวจึงจะได้ <c oughs> ขอให้พากันคิดให้ดีเราบวชเข้ามานะนึกทบทวนดูความประสงค์ของตัวเองบ้างเราบวชเข้ามาเพื่ออะไรนี่ เรื่องนี้ก็สําคัญไม่น้อยนะการทบทวนดูความต้องการภาถนะขงชนเริ่มแต่มาบวชบางมันก็อาจจะมีความคิดความเห็นแตกต่างกันไปละทีแรกนะ่ะการมาบวชนี่นะบางคนก็เห็นโทษของกิเลสตัณหาเห็นโทษของการครองเรือนนี่มันยุ่งเหยิงมันเป็นทุกข์มาก การบวชนี่เป็นการปลงภาระอันหนักเหล่านั้นคิดเห็นอย่างนี้แล้วมาบวชอย่างนี้ดีถูกต้องบางคนได้รับความกระทบกระเทือนจากครอบครัวหรือว่าจากหมู่จากเพื่อนแล้วตนเองเดือดร้อน ถ้าอยู่กับหมูกับเพื่อนไปเพื่อนก็รังเกียจเอาอย่างนี้ก็คิดวันนี้มาบวชแล้วก็จะสบายใจดีผู้ที่คิดอย่างนี้ก็อาจจะมีอยู่นั่นแหละบางคนก็คิดว่าเราเกิดมาเป็นคนไทย นับถือพุทธศาสนาถือกันว่าเป็นลูกผู้ชายนี่ต้องบวชถึงอายุครบบวชเน้นก็บวชเน้นหากผู้ที่ยังไม่พร้อมบวชเน้นก็อายุครบบวชพระก็ต้องบวชพระก่อนถ้าอยู่ไม่ได้ซึกออกไปจึงไปครองเรือนอันนี้ถือกันมาตั้งแต่หลายชั่วบรรพบรุษแล้ว ผู้ใดอยู่ได้ก็อยู่ไปบางคนก็อาจจะหนีราชการมาบวชก็มีหนีทหารหนีตำรวจมาบวชไม่อยากเป็นทหารไม่อยากเป็นตำรวจหนีมาบวชก็มีบางคนก็คิดว่าหากินยาก อยู่คลองเรือนนี่หาเงินหาทองก็แสนลําบากอะไปบวชเสจะดีกว่าจะไม่ต้องได้ลาบากหาเงินหาทองผู้อย่างคิดอย่างนี้ก็อาจจะมีนี่ในเบื้องต้นน่ะอาจจะคิดอย่างนั้นหละแตกต่างกันไปแต่ขั้นผู้มีบุญวาสนาเมื่อได้บวชเข้ามาแล้ว มาได้ฟังโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้ศึกษ า, าข้อปฏิบัติรู้แล้วลงมือปฏิบัติไปทำใจให้สงบระงับลงไปเจริญปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็เห็นคุณของพระพุทธศาสนานได้บ้างแล้ววันนี้นั่นแหละเป็นเหตุให้มั่นใจความคิดที่ว่าจะมาบวชชั่วคราวอะไรมดนมันก็ลบเรือนหายไป จะเลยกลายเป็นบวชทาวอไปแบบนี้แต่บางคนบวชเข้ามาแล้วไม่สนใจในทางปฏิบัติเพียงแต่ว่าได้บวชได้นุ่งเลืองหม่มเลื้งไปแล้วก็อยู่ไปตามยถากรรมไปอย่างนั้นไม่ามกคกขมนั่นทำความเพียยสํำระี่เลไในหัวใจอย่างนี้ผู้ฉะนั้นจะอยู่ไม่ยืดเลย ไป ไ, ปไปมาก็คี้เล็ดมันมีกำลังกล้าครอบงาจิตใจแล้วก็อยู่ไม่ได้ต้องซึกออกไปฉะนป็นเพราะฉะนั้นผู้ใดถ้าคิดว่าตนนั้นไปอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วจิตใจฟุ้งซ่านมากตื่นร้อนมาก อย่างนี้นะมันก็ต้องอยู่กับหมู่กันอยู่กับหมู่ก็ต้องวางตนให้เข้ากับหมู่ให้ได้ระเบียบของหมู่มีอย่างไรเราก็ต้องอนุวัตตามต้องทาตามเพราะว่าไม่ว่าในทางโลกไม่ว่าทางศาสนาเอามาติส่วนหลายเป็นประมาณ อย่างเช่นการระงับอธิกรณ์อย่างนี้นะอธิกรณ์บางอย่างนั่นจะไประงับเพียงพระไม่กี่โลกอย่างนี้มันระงับไม่ได้เพราะว่าผู้ที่ก่ออธิกรณ์นั้นมีอิทธิพลมากมก็ต้องอาศัยเสียงส่วนมากเป็นประมาณวันนี้มเมื่อวินิจใช้อธิกรณ์เรื่องนั้นว่า เรื่องนี้มันเป็นจริงอย่างนั้นแหละเอาใครเห็นด้วยเห็นด้วยว่ามันผิดมันมันไม่ดีอย่างนั้นถ้าเสียงส่วนมากเห็นว่าผิดจริงอย่างนี้แล้วก็เป็นนั้นว่าตัดสินลงได้เลยทำไมเป็นอย่างนั้นเรื่องเรื่องการระงับความไม่ดีไม่งามอของบุคคลผู้ที่ ร่วมกันอยู่ในพุทธศาสนาเนี่ยนะโดยเฉพาะเรียกว่าคณะสงฆ์นี่แหละถ้าหากว่าผู้ที่ก่อเรื่องไม่ดีขึ้นนั้นไม่ค่อยมีอิทธิพลเท่าไหร่อย่างนี้นี่เราก็สามารถเที่ยวก่อมกันได้ให้รับผิดลงไปทำผิดอะไรลงไปแล้ว น, ะน่ก็ได้รวมปรึกษาหารหือกัน ที่เหตุผลให้ฟังแล้วคนนั้นก็นยอมรับผิดลงไปได้มีโทษอย่างไรก็ปรับไปตามความผิดนั่นนั่นแล้วก็อธิกรณ์นั่นน่นก็ระ ง, งับลงไปนี่แต่ครั้งพระพุทธเจ้านั้นเพื่อระ ง, งับอธิกรณ์กันมีอย่างนี้แหละเนี่ยมาทุกวันนี้มันก็ต้องระ ง, งับอธิกรณ์กันแบบนั้น ก็เราดำเนินตามรอยของพระศาสดาตามรอยของพระสาวกทั้งหลายนี้เราจะหนีจากรอยนี้ไม่ได้ให้เข้าใจกันเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อเสียงส่วนหลายได้เห็นไปอย่างไรแล้วนี่เราต้องอนุวัตตามถ้าว่าเราเห็นว่ามันไม่ชอบอย่างนี้เราก็เราก็ไม่อยู่สัก แล้วก็ไม่ร่วมอยู่ซะในสมาคมนั้นแนละ้วก็ปลีกหนีไปซะเพราะว่าเพื่อนมันหมู่ใหญ่อยู่แล้วเพื่อนมีความเห็นตรงกันเราคนเดียวเห็นไม่ตรงกับเพื่อนอย่างนี้เราก็หลีกออกไปซะมันก็หมดเรื่องกันนี่เรียก ว, ว่าการระงับอธิกรณ์เกี่ยวกับทางคณะสง่งนะไม่ไม่ไม่ได้ อะไรไปเทียงกันหน้าดำหน้าแดงจนว่าโกรธกันทะเลาะกันอย่างนั้นไม่ไม่ใช่แล้วแต่ในวินยัยท่านยังกล่าวไว้ถ้าภิกษุรูปหนึ่งนะไปเห็นภิกษุรูปหนึ่งทำผิดวินยัยลงไปแต่ภิกษุองค์นั้นไม่ยอมรับว่าผิดอย่างนี้เมื่อเข้าสู่ที่ประชุมสงฆ์แล้วอันภิกษุที่จะโจทฟ้องภิกษุที่ทาผิดวินัยนั้น ก็ต้องไปขอโอกาสต่อภิกษุที่ทำผิดพระวินัยนั้นก่อน uh huh. เมื่อภิกษุนั้นให้โอกาสแล้วเซนนี้ก็จึง จ, งจึงก็โจทฟ้องขึ้นในที่ประทุกที่ประชุมสงฆ์นั้นได้ uh huh. ดี๋ยวนี้เราลองฟังเอารู้ระเบียบที่เพื่อนระงับอธิกรณ์กันมานะ uh huh. ไม่ได้มีเรื่องร้ายกาศอะไร uh huh. ถ้าถ้าเจ้าตัว หากว่าทําผิดแล้วไม่ยอมรับผิดอย่างนี้ทางคณะสงฆ์ก็ต้องหาหลักฐานพยายนมาอ้างอิงถ้าหากว่าหลักฐานพยายนเพียงพอแล้วแต่เจ้าตัวไว่รับทางคณะสงฆ์ก็ต้องตัดสินลงว่าผิดมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะว่ามันเหตุผลมันเพียงพอหลักฐานพยายนเพียงพออย่างนี้ <c oughs> ที่ทานายว่าเยคุยยศิกาการตัดสินเอาคำของคนหมู่มากเป็นประมาณนี่มันเป็นอย่างนั้นจนถอยพากันเข้าใจไว้เราปฏิบัติตามพระวินัยแล้วมันแสนสบายสบายใจโล่งใจไปเลยอันนี้พูดถึงขั้นพระวินยัยอันนี้นะ ที่พูดถึงเรื่องธรรมะธรรมะมันก็สนับสนุนวินัยนั่นเองเลยเป็นอย่างนั้นอันพูดที่จะไม่ล่วงวินัยก็เพราะว่ามีหิริโอตประธรรมอยู่ในใจนี่มีความละอายต่อการทำความชั่วทั้งต่อหน้าคนหมู่มากทั้งรับหลังคนก็ลึกจะทำชั่วมากะละอายใจขึ้นมา เพราะกลัวความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เมื่อมีฮิริโอตตปะธรรมอย่างว่านี่อยู่ในใจแล้วมันก็ไม่คล้าล่วงะวินยัยอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าท่านจึงได้เรียกชื่อควบคู่กันว่าทำวินันนั่นนะเพราะมันพลาดกันไม่ได้เลยต้องไปด้วยกันนะทำกวีไนนี่นะดังนั้นการที่ เราจะปฏิบัติตามระเบียบของหมู่ของคณะที่ตั้งลงไว้อย่างนี้ก็ให้นึ ก, กว่าเพื่อเราจะได้สมัครสมานสามคัคคีกับหมู่ก็ต้องคิดอย่างนั้นถ้าหากว่าไม่คิดอย่างนั้นไม่ทำตามระเบียบของหมู่อย่างนี้มันก็ต้องอยู่กับหมู่ไม่ได้เมันก็เป็นอย่างนั้นเย่ย ถ้าพากันคิดให้ดีถ้าเราปรับตัวของเราให้เข้ากันได้ดีแล้วมันแสนเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยนีนะ่เราไม่ได้ทะเลาะวิวาดกันไม่ได้โกรธเคืองกันไม่ได้แสดงกิริยาอันไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งกันให้ยุ่งใจอยู่ไม่รู้แล้ว อันพูดที่รู้อำนาจแกกิเลสอย่างนี้มันเป็นได้นะเมื่อไม่พอใจให้ใครมาแล้วก็สแสดงกิริยาหยาบโลนตทางๆออกมาอย่างนี้อันนั้นมันไม่ถูกแล้วไม่ใช่วิสัยของสมณะแล้วอย่าไปทำกันเราต้องอดต้องกลั่น ถ้าไปไม่อดไม่ทนไม่กลั้นอย่างนั้นก็จัดจัดว่าเป็นสมณะที่ดีไม่ได้เลยถ้าเป็นสมณะที่ดีไม่ได้ไม่ทราบจะอยู่ไปทำไมหลังแต่จะเอาบาปทับถมตัวเองเรื่อยไปมันต้องคิดอย่างนี้เราออกไปทำมาหาเลี้ยงตัวเอง อย่างนั้นแล้วยังไม่ได้ยังดียไม่ได้เป็นหนี้บุญหนี้คุณใคร <c oughs> ถ้าเราประพฤติ พ, พรหมจรรย์อยู่เนี่ยถ้าทําไม่ดีแล้วเป็นหนี้บุญหนี้คุณของชาวบ้านเขาให้ระลึกไว้เสมอเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าเราจะไปได้บริโภคปัจจัยสี่ของชาวบ้านไปได้สบายสบา ย, บายไม่ต้อง ประกอบความเพียรไม่ตรงละกิเลสตัณหาอะไรก็ไม่มีโทษอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่ผู้ใดบริโภคปัจจัยเสียงชาวบ้านเราไม่ทําความเพียรไม่บรรเทากิเลสให้เบาบางลงอย่างนี้ก็มีโทษแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าชาวบ้านที่เขาอุดหนุนนี่ที่เขาบริจาคทานมานี่เขาเห็นว่าเราผู้เป็นนักบวชนี่นะ มีความภาคพีรพยายามที่จะละความชั่วออกจากกายวาจาใจมีแต่จะสะสมความดีให้เจริญขึ้นเขาเห็นอย่างนี้เขารู้อย่างนี้เขาจึงยินดีบริจาคสตุภัจจ์ใจทั้งสี่มีอาหารอวินทบายเป็นต้นนะอมามอมลุงพวกเราทั้งหลายที่เป็นบรรพชิตนี่ก็ขอให้พากันคิดอย่างนี้แต่ถ้าเขารู้ว่า วันตะชิตเรานี่ไม่ไม่ยอมฝึกตนไม่ยอมทรมานตนนะอยู่ไปตามยถากรรมเฉยๆเนี่ยก่อจะเรื่องวุ่นวายขึ้นอย่างนี้ชาวบ้านรู้อย่างนี้นะเขาไม่สนับสนุนแล้วเขาจะถอยหลังแล้วนี่ขอให้คิดให้มากเนื้อเรื่องนี้ก็ดีนะเพราะว่าชีวิตของเราผู้เป็นนัก บ, บวชเนี่มันอยู่กับชาวบ้านจริงๆ เราไม่ได้ทำนาทําสวนไม่ได้ทาการค้าขายหาเงินหาทองอะไรเลยนี่ต้องคิดให้มากนั่นแหละถ้าเราคิดได้อย่างว่านี่แล้วก็เอาทำความรองรองกันอ่อนน้อมถ่อมตนลงเขารบซึ่งกันและกันตามอาวุโสพันเตอย่างนั้นสามัญเรนก็ อย่าไปทุ่มเสียงพระอต้องให้สำรวมตนให้ดีเพราะเราเกิดทีหลังพระนะพระเกิดก่อนต้องนึกอย่างนั้นเอแล้วเราจะไปยกตนเทียมกับพระอย่างนี้ไม่ได้เราท่านรู้เรียงสาอะไรอะ่ะพระท่านเกิดก่อนนี่ท่านรู้เรียงสาก่อนนี่ ท่านเห็นความผิดอะไรของเราท่านเตือนแล้วเราต้องฟังอย่าไปดื้อรั้นอย่าไปหาทางแก้ตัวทำอย่างนั้นไม่ดีต่อไปเดี๋ยวก็จะไม่ได้อยู่กับหลวงปู่หลวงปู่นี่ไม่ได้หักดั้มพระด้วยหัวเข่าหรอกนโยบายต่างๆ อารมุ่มอร่อยไฟจนว่าเหลือวิสัยนัะจึงตัดหางปล่อยนะให้เข้าใจนะก็ถ้าหลวงพูไม่รับนิมนต์จากญาติโยมผู้เขาวิศธาอย่างนี้ เขาไม่รู้จักแล้วอย่างนี้เขาจะมาบำรุงวัดเราได้อย่างไรนั่นต้องคิดให้ดีต้องช่วยกันคิดนั่นแหละก็เราเป็นอยู่ด้วยกับชาวบ้านก็ยังว่าให้ฟังอยู่นั่นไะยิ่งเราอยู่หมู่มากอย่างนี้นะในลําพังแต่หมู่บ้านหมอเนี่ยไม่สามารถที่จะมาบำรุงได้เนี่ยน้อยเขาก็ใส่บาตรด้วยข้าวเปล่าให้ อาหารก็มีเพียงเล็กน้อยจะเอามาแจกกันก็ไม่พอฉันเลยลองคิดดนูนเนี่ยการที่เราอยู่กันได้อย่างนี้ก็เพราะว่าทางไกลผู้เขามีศรัทธาแรงกล้าเขาเลยสละจัตุ ป, ปัจจัยออกมาบำรงนั่นแหละเราก็จึงได้รับความสะดวกพอสมมาสมควรปัันนี้นะ เมื่อคิดได้อันนี้เราผู้อยู่เบื้องหลังนี่ก็พยายามฟองดองสามนาคีกันให้ได้เช่นนี้แล้วมันก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในทางปฏิบัติสมถะวิปัสนาต่อไปนะมันเป็นอย่างน้นคิดดูที่หลวงปู่ได้อัจะเลขการาบอะไรมาเนะี่ย ไม่ได้หวงแหนอะไรเป็นของส่วนตัวสักหน่อยเดียวมีแต่จ่ายไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทั้งนั้นเลยเรคิดดูท่านี้ก็ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะจันรลงพระพุทธศาสนานี่ให้จเจริญรุ่งเรืองไปในชีวิตของเราที่ได้เกิดมา ในโลกนี้แล้วก็ได้มาปฏิญญาณตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็จะต้องทำกิจที่ควรทำสนองพระเดชพระคุณของพระพุทธเจ้าให้เต็มความสามารถจนก ว, ว่ามันจะหมดลมหายใจเข้าออก <c oughs> เราผู้เป็นลูกศิลูกหาก็ต้องคิดต้องก้องอย่างว่านั้นแห <c oughs> ต้องทำหน้าที่ผู้เป็นลูกศิษย์ลูกหาให้เต็มความสามารถผู้เป็นอุปชาอาจารย์ก็จะทำหน้าที่ของอุปชาอาจารย์ให้เต็มความสามารถแล้วมันก็ไปกันได้สี่แบบนี้นะนะโดยเฉพาะในความประมาทนี่มันสักจะเป็นไปได้ง่ายได้เร็วเกินเลยเมื่อไม่มีผู้ควบคุมไม่มี ผู้ที่ตนเคารพยำเกรงแล้วมันชักจะไปทั้งไม่ดีนะนี่ต้องระวังนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็แสดงว่าผู้นั้นพึ่งตัวเองไม่ได้เลยจะไปคอยพึ่งแต่ผู้อื่นให้ผู้อื่นนั้นว่ากล่าวตักเตือนอยู่จึงพออยู่ได้จึงพอสํารวมทนได้อย่างนี้นะ ถ้าไม่มีผู้ตนเขารบจำเกรงนั้นแนะนำตักเตือนอยู่แล้วเรดไปมาลงมาเสงไปเลยนี้ใช่ไม่ได้เลยอันนั้นนะมันจะเป็นไปเพื่อความเสื่อมให้เข้าใจความเห็นแก่รับแก่นอนเห็นแก่ความสุขสบายชั่วคราวนี่นะสําคัญมากอันนี้นะอมันทําให้เสื่อมจากสมาธิเสื่อมจากปัญญา บาง ก, ก็นอนหลับจนตะวันแสงตะวันขึ้นสู่ท้องฟ้าก็ยังไม่ตื่นแล้วก็ไม่ได้ไปบินขบายขับเพื่อนมูดี้มันเหลวไหลมากนะอันแบบนั้นนะต้องฝึกตนเข้าไปสิก็เตือนแล้วนี่ก่อนนอนต้องอธิษฐานใจว่าเราจะตื่นเวลาเท่านั้นอย่างนี้เราจะตื่นเวลาตีสาม น, นี่ก็อธิษฐานใจไหวท่านอนธิษฐานใจไว้อย่างนั้นนะ่ะนั่นแหละคุณน่ะทำน่ะกระเจ็บปลุกพอไปถึงตี๋สามมันจะรู้สึกตัวได้แบบนอนวัว น, นอนควายไม่คิดไม่นึกไม่ตั้งใจว่าจะลุกขึ้นทำความเพียรอะไรอย่างนี้มันก็จมปิ่งไปเลยสินอนนะ มันโดยเฉพาะยังหนุ่มยังน้อยนียนอนจอมเลยถ้าไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจถ้าเป็นคนแก่นี่มันไม่ละนอนมากไม่ได้เลยเจ็บปวดอ่นอนไปนอนไปมันเจ็บปวดขึ้นมาแล้วมันก็เตื่นมันก็ต้องได้ลุกป้ายเดินเหยียดเส้นเหยียดเอ็นอะไร ไ, ไปอย่างนะ แต่สําหรับคนหนุ่มเราก็เคยหนุ่มมาก็รู้แต่ว่าาไม่ยอมให้มันจมไปอย่างนั้นแต่ยังหนุ่มนอนนะอธิฐานในใจว่าอย่างว่านี่แหละแต่ยังหนุ่มยังบวชใหม่ปฏิบัติใหม่อยู่แล้วนะอธิฐานว่าตีสองเราจะตื่นหนึ่งนะสี่ทุ่มนอนตีสองจะตื่นหนึ่งพอพอดี นาฬิกาตำรวจตำรวจตีแม้งเม้งสองทีก็รู้สึกเลยตื่นเลยแล้วตื่นก่อนแล้วเกินตื่นก่อนตำรวจตีพอตื่นก่อนหน่อยหนึ่งกระได้ยินเสียงเมงเม้งสองทีเลยจำพรรษาโยมเพอท่าบโบพรรษาสองพรรษาอพรรษาสองเนี่ย ตื่นได้ได้เวลาอย่างนั้นทุกคืนเลยจนตลอดออกพรรษาเนี่ยคราวนะั้นพรรษาได้เพียงแค่สองหนึ่งนี้อายุก็เท่าไรยี่สิบสองยี่สามเท่านั้นนี่นนยังฝึกได้ถ้าตั้งใจฝึกแล้วทำไมมันจะไม่ได้ถ้าผูดด้ใดรู้สึกตัวว่าตอน นอนมากนอนจมหลายเีย่ก็จะไปกินหลายสิต้องผอนทางกินนะหลวงปู่ก็เคยพูดให้ฟังอยู่ตั้งแต่ยังหนุ่มนั้นไม่มีาจะไปอ้วนอย่างนี้นะมีแต่ผอมกับผอมอเพราะว่าชั้นอาหารนี้ไม่ไม่ได้เต็มส่วนเลยอันนี้ทัานวันใดชั้นอาหารมากแล้วเอาเลยง่วงแล้วภาวนานะี่ยมีแต่ง่วงเอา มึงง่วงเหยื่อนี่าี้มันจะได้ทนทุกข์ยังไงกันวะถ อ, อนอาหารลงเมื่ออาหารน้อยเข้าไปได้แบบนี้อาการง่วงแล้วมันก็เบาวางลงแบบนี้นั่นเนี่ยเรามุ่งที่จะขจัดนิวรณธรรมนี่ให้ออกไปจากดวงจิดให้จิตมันสงบลงเป็นหนึ่งในเรื่องร่างกายนี่เราก็บำรุง ม, มันไปพอประมาณอย่างว่านี่พอให้ ขอให้มีกําลังได้นั่งสมาธิภาวนาให้ใจมันสงบลงไม่หวังจะให้อ้วนให้พีอะไรเลยนี่แต่แล้วมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรมันพผอมกับผอมไปถึงข่าวเจ็บป่วยมันก็ป่วยไปตามเรื่องมันแต่แล้วเมื่อมันไม่ถึงข่าวตายมันก็ไม่ตายอย่างนี้แหละ มันก็มีชีวิตมาอยู่ปัณ น, นี่ตั้งแต่ยังหนุ่มน้นเขาว่าทรมานตนนีนรอดตายรอดตายเทียวแหละแล้วก็มันไม่เห็นตายนะนี่ลองคิดดูอย่างเั้ยนะไอหมอแผนปัจจุบันเขาว่าไปฉันอาหารน้อยนี่นโอ้เป็นโรคกระเพาะไม่ไหวเป็นโรคขาดอาหาร เ้าวแล้วเราไม่เห็นเป็นโรคกระเพาะเลยถ้าเป็นโรคกระเพาะแล้วมันอไปแล้วป่านนี้นะไม่มีเหลือแล้วมันสมกับคำครงที่เคยพูดมาอยู่นั่นเลยจะได้สุขก็เอาทุกเป็นทุนก้อนนี่นะจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมจะเป็นพระก็ต้องละกามรม จะเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนทมฌานบุคคลจะได้รับความสุขในขั้นใดๆนี่ถ้าไม่ลงมือทาความดีไม่เพียรงงขัดจัดความชั่วออกจากตัวก่อนแล้วจะไม่พบกับความสุขอันนั้นเลยเ <c oughs> อ้ทำความดีก็ทำไปแล้ว ทำชั่วก็ทําไปอย่างนี้นะแล้วมันจะพบความสุขที่แท้จริงได้ตรงไหนอ่ะคิดดูเมื่อเมื่อเราทำความดีแล้วเราก็ต้องขจัดความชั่วออกไปพร้อมกันเลยกับการทำความดีเช่นนั้นมันก็ถึงจะได้รับความสุขอันบริสุทธิ์สดใสได้ไม่ใช่สุขเจืออยู่ด้วยกิเลสป่าประทำ <c oughs> อย่าไปกลัวตายมันไม่ตายดอกบุญกรรมที่เราทำมาแต่แช่ก่อนมันรักษาไว้นะการฝึกตนทรมานตนนี่มันไม่ตายถ้าไม่หมดบุญเก่าหลวงปู่ทรมานตัวมาพอแรงแล้วตื่นเขาเข้าถ้ำสารพัด <c oughs> เดินตากแดดไปวันยังค่ำก็เดินออบางทีก็มันไม่มีน้ำหิวน้ำก็หิวน้ำ <c oughs> พอไปถึงหนองน้ำเข้าไปวันนี้ก็เป็นนั่งพักผ่อนให้เย็นพยายามวิทย์น้ำรูปตัวทีละน้อยละน้อย <c oughs> ให้ตัวเย็นน้เจนี้ตอนนี้เคยกรองน้ำใส่จอบมาแล้วก็ค่อยจิบทีละน้อยละน้อยไปอย่างนั้นอ่ะมันจึงไม่เมาน้ำา <c oughs> อย่างนี้แล้วกวัจะได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยนำสั่งสอนพุทธบริษัททางหลายอยู่นี่ โอหมันลอดตายมาหลายครั้งแล้วนะขอให้เข้าใจในพวกเราอย่าไปคิดตื้นตื้นเราต้องนึกว่าเราจะเป็นครูของเราให้ได้เราจะสอนตัวเองให้ได้เมื่อเราสอนเราได้แล้วเราจะสอนผู้อื่นให้ตั้งใจลงอย่างนั้นอย่าไปคิดสั้น <c oughs> หากว่าผู้ใดมีความมุ่งหมายอยู่ตรงนั้นนะ่ะมันก็ทําความดีสินั่นเลยแล้วก็ฝึกตนให้เต็มที่เลยอะเพราะว่าถ้าไม่ฝึกตนให้ดีแล้วจุดมุ่งหมายอย่างว่านะั้นมันก็ไม่สําเร็จมันเป็นอย่างนั้นวกเข้ามาหาการฉันน้าร้อนน้ําอุ่นเพื่อปองดองสามัคคีกัน ให้เข้าใจอเรามานั่งรวมกันแล้วก็สนทนาปราศัยกันผู้ใดมีความคิดเห็นอย่างไรในธรรมในวินยัยเราก็พูดกันถ่ายถามกันอย่างงี้นะพี่รู้สอ ง, อง น, น้องรู้หนึ่งถ่ายทอดความรู้ความเห็นอันถูกต้องถู่กันแล้วก็ต่างคนต่างก็ได้ความรู้ความฉลาดขึ้น ต่อกันและกันไปนี่มันเป็นผลดีอย่างนี้การที่เรารวมกันได้เป็นพิเศษโดยไม่มีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยถ้าเรามารวมกันอยู่นี่มีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยแล้วเราก็จะไม่ได้ออกความคิดความเห็นอะไรกันนี่ต้องให้เข้าใจเราจะต้องเป็นแต่ผู้ฟังถ้าเราชุมนุมกันโดยเฉพาะอย่างนี้ ใครมีความคิดเห็นอย่างไรในทางปฏิบัติก็ระบ า, ายออกมาได้แต่อย่าไปเถียงกันอย่าไปขัดจังหวะของกันและกันเพียงจะแสดงความคิดความเห็นสู่กันฟังไปอย่างนี้ผู้ใดเห็นว่าความเห็นของพวกนี้ถูกต้องดีถือเอาตามกดดีไป ถ้าเห็นว่าผู้นั้นความเห็นของผู้นั้นรู้มันจะไม่ถูกต้องเท่าไรก็ไม่ถือเอาเท่านั้นแหละไม่จะเป็นต้องไปเถียงกันหรอกแต่ถ้าว่าเราฟังความคิดความเห็นของบางรูปบางนามรู้สึกว่ามันจะเห็นผิดไปมากอย่างนี้เมื่อเมื่อมาชุมนุม ต, ต่อหน้าครูบาอาจารย์แล้วก็หยิบยกขึ้นมาถามได้ ท่านผนั้นจะมีความเห็นอย่างนี้อย่างนี้จะถูกต้องหรือไม่นอนี่อแล้วก็จะได้อธิบายให้ฟังมันถูกหรือไม่ถูกมันก็เป็นเนัื่ว่าตัดปัญหาการถกเถียงกันลงไปถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้น ะ, ะนี่แหละจุดมุ่งหมายที่ว่าให้มาฉันน้าร้อนน้ําอุ่นรวมกันนัดสบายสองโมงไป นี่ก็เพื่อประสานสามัคคีกันขอให้ระลึกไว้ก็เห็นจะต้องจบกันลงเท่านี้นะบัานนี้